อย่างไรก็ตามแม้ว่าวิญญาณจะต้องอาศัยอาญาตนะและอารมณ์กระทบกันจึงจะเกิดขึ้นได้ก็จริงแต่การที่อารมณ์เข้ามาปรากฏแก่อายตนะก็ไม่ใช่จะทําให้วิญญาณเกิดขึ้นได้เสมอไปจําต้องมีความใส่ใจความกําหนดใจหรือความฝ่ายใจประกอบอยู่ด้วยวิญญาณนั้นๆจึงจะเกิดขึ้นดังตัวอย่างได้บางคราวเช่นเวลาหลับสนิทเวลาฟุงา้งซ่าน หรือใจลอยไปเสียเวลาใจจดจ่อแน่วแน่อยู่กับกิจอย่างได้อย่างหนึ่งตลอดจนขณะอยู่ในสมาธิรูปและเสียงเป็นต้นหลายๆยอย่างที่ผ่านเข้ามาอยู่ในวิสัยที่จะเห็นจะได้ยินแต่หาได้เห็นหาได้ยินไม่หรือตัวอย่างง่ายๆขณะเขียนหนังสือใจจดจ่ออยู่จะไม่รู้สึกส่วนของร่างกายที่แตะอยู่กับโต๊ะและเก้าอี้ตลอดจนมือที่แตะกระดาษ และนิ้วที่แตะปากกาหรือดินสอในเมื่อมีอายตนะและอารมณ์เข้ามาถึงกันแล้วแต่วิญญาณไม่เกิดขึ้นเช่นนี้ก็ยังไม่เรียกว่าการรับรู้ได้เกิดขึ้นการรับรู้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีองค์ประกอบเกิดขึ้นครบทั้งสมอย่างคืออายตนะอารมณ์และวิญญาณภาวะนี้ในภาษาธรรมมีคำเรียกโดยเฉพาะว่าผัสสะ หรือสัมผัสแปลตามรูปศัพท์ว่าการกระทบแต่มีความหมายทางธรรมว่าการประจวบหรือบรรจบพร้อมกันแห่งอาญตนะอารมณ์และวิญญาณพูดอย่างเข้าใจกันง่ายๆผัสสะก็คือการรับรู้นั่นเองผัสสะหรือสัมผัสหรือการรับรู้นี้มีชื่อเรียกแยกเป็นอย่างๆไปตามทางรับรู้คืออาญตนะนั้นๆครบจานวนห คือจักขูสัมผัสโสตะสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายะสัมผัสมโนสัมผัสผัสสะเป็นขั้นตอนสําคัญในกระบวนการรับรู้เมื่อผัสสะเกิดขึ้นแล้วกระบวนการทก็ดําเนินต่อไปเริ่มแต่ความรู้สึกต่ออารมณ์ที่รับรู้เข้ามานั้นปฏิกิริยาอย่างอื่นของจิตใจการจําหมายการนําอารมณ์นั้นไปคิดปรุงแต่งตลอดจนการแสดงออกต่างๆที่สืบเนื่องไปตามลาดับ ในกระบวนธารมนี้สิ่งที่ควรสนใจเป็นพิเศษในการศึกษาขั้นนี้ก็คือความรู้สึกต่ออารมณ์ที่รับรู้เข้ามาซึ่งเกิดขึ้นในลำดับถัดจากผัสสะนั่นเองความรู้สึกนี้ในภาษาธรรมเรียกว่าเวทนาแปลว่าการเสวยอารมณ์หรือการเสพรสอารมณ์คือความรู้สึกต่ออารมณ์ที่รับรู้เข้ามานั้นโดยเป็นสุข สบายไม่สบายหรือเฉยๆอย่างใดอย่างหนึง่งเวทนานี้ถ้าแบ่งตามทางรับรู้ก็มี6เท่าจํานวนอายตนะคือเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางตาเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางหูเป็นต้นแต่ถ้าแบ่งตามคุณภาพจะมีจํานวนสามคือ1สุขได้แก่สบายชื่นใจถูกใจ 2. ได้แก่ไม่สบายเจ็บปวดสอทุกข์ขมสุขไม่ทุกข์ไม่สุขคือเรื่อยๆ เ, เฉยๆซึ่งเรียกอีกอย่างว่าอุเบกขาอุเบกขาในหมวดเวทนานี้เป็นคนละอย่างกับอุเบกขาในหมวดสังขารเช่นอุเบกขาพรหมวิหารอุเบกขาสัมพชุชงเป็นต้นการแบ่งเวทนาอีกอย่างหนึ่งแบ่งละเอียดลงไปเป็นห้าอย่างคือหนึ่งสุข ได้แก่สบายกายสองทุกได้แก่ไม่สบายกายเจ็บปวดสามโสมนัสได้แก่สบายใจชื่นใจสี่โทมนัสได้แก่ไม่สบายใจเสียใจและห้าอุเบคาได้แก่เฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์กระบวนการรับรู้เท่าที่กล่าวมานี้เขียนให้เห็นง่ายๆได้ดังนี้กรุณาดูแผนภูมิที่สองทับประกอบด้วย ซึ่งแผนภูมินั้นอ่านได้ดังนี้คืออาญาตนะทางรับรู้บวกอารมณ์สิ่งที่ถูกรู้บวกวิญญาณความรู้เท่ากับผัสสะการรับรู้เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาความรู้สึกต่ออารมณ์